เสียงอ่านหนังสือกุญแจภาวนาพระโพธิญาณเทระหลวงปูชาสุพัทโทวัดหนองป่าพงหลักสำคัญของการปฏิบัติธรมรมทมกรรมฐานทั้งในด้านสมถะและวิปัสสนาด้วยคำสอนที่กระชับเรียบง่ายแต่ตรงถึงแก่นแท้สู่ความพ้นทุกข์และเป็นสิ่งที่ผู้สนใจทมต้องให้ความสำคัญที่สุดคือไม่ใช่รู้ธรรมะด้วยการท่องจาตัวอักษรท่องพุทธวจนะได้จาพระไตรปิฎกได้ไม่ผิดพลาด แต่ต้องรู้ข้าใจธรรมะจากการภาวนาจึงจะเป็นการรู้อย่างแท้จริงซึ่งเป็นจุดหมายหลักของพุทธศาสนาสำหรับผู้เริ่มศึกษาแนะนำให้ฟังด้วยใจสบายตรงไหนไม่เข้าใจให้ผ่านไปก่อนมีโอกาสค่อยกลับมาฟังใหม่การเพียรศึกษาให้รอบด้านในที่สุดวันหนึ่งจะเข้าใจได้ดีขึ้นหรือเมื่อภูมิธรรมสูงขึ้นหากได้กลับมาฟังอีกครั้งอาจจะได้พบความจริงว่า ที่เคยคิดว่าเข้าใจแล้วกลับเข้าใจลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นยางน่าประหลาดใจทีเดียวเลยนะครับเสียงอ่านโดยอริยคุณชมรมผลดีร่วมจัดทำโดยเจ้าภาพหลักกริณนะชมศาสตร์นภชาสมุตใจมณีวิศาเสนีสารพรเจ้าภาพรองครอบครัวอิมวงศรีครอบครัวสุภกิจสินร่วมกับ วิชาาดามุวิชาครอบครัวสีโพคาปูนสีช่างพินิษสมใจมิ่งชัยนภัทรมน์แซ่ผานร่วมกับอีกหลายท่านฟังได้จากท้ายเรื่องสภัทนานังธรรมะทานังชินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงขอเชิญร่วมศึกษาธรรมไปพร้อมกันเลยนะครับ